สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากสีบานนะครับในเช้าวนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซู ต, ตอนที่หนึ่งร้อยสิบสองนะครับเกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนตอนการทําความดีพระเจ้าของพระเจ้าในคร้าวันนี้อยู่ในพระธรรมมัทธิวบทที่หกนะครับพระธรรมมัทธิวบทที่หข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่โปรดฟังพระชนะของพระเจ้าจงระวังอย่ากระทําศาสนา ก, กิจเพื่ออวดคนอื่นถ้าทําอย่างนั้น ท่านจะไม่ได้รับบำเน็ จ, จากพระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์เหฉะนั้นเมื่อท่านทาทานอย่าเป่าแตรข้างหน้าท่านเหมือนคนหน้าซื่อใจคดกระทำในธรรมศาลาและตามถนนเพื่อให้คนสรรเสริญเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเขาได้รับบำเน็จของเขาแล้วฝ่ายท่านทั้งหลายเมื่อทาทานอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวากระทานั้นทานของท่านจะต้องเป็นทานรับ และพระบริดาของท่านผู้ทรงเห็นในที่ีรับจะทรงโปรดประทานบำเหน็จแก่ท่านพนงครับพระคำพีตั้งแต่ข้อที่ตั้งแต่บทที่หกและบทที่เจ็ดนะครับของพระคำมัทธิวนี้ได้สรุปคำสอนที่เกี่ยวข้องกับชีวิตคริสเตียนครับซึ่งเราเรียกว่าคำเทศนาบนภูเขาเปซู ไม่ได้เพียงสอนให้สาวกรู้ถึงวิธีการดำเนินชีวิตคริสเตียนเท่านั้นแต่พระองค์ยังทรงสอนที่เกี่ยวกับเรื่องปฏิเสธนะครับการปฏิเสธทัศนกติเกี่ยวกับการวิพากษ์วิจารณ์ตำหนิติเตียนและการกระทําของพวกฟาริสีในสอบทนี้เราจะเห็นนะครับว่าพระเยซูได้เปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างวิถีชีวิตของฟาริสีกับวิถีชีวิตของสาวกผู้ติดตามพระองค์ซึ่งสมัยต่อมาเรื่องนีว่าวิถีชีวิตคริสเตียน เป็นความมุ่งหวังขององค์พระเยซูคริสต์ครับแล้วก็พรงได้กล่าวถึงเรื่องของความชอบธรรมการอธิษฐานการถืออดอาหารการทําความดีต่างๆนะครับข้อทีเกี่ยวกับเจ้าสมบัติและก็ความกรวนกวายการกล่าวโทษพูดอื่นและในบทที่เจ็ดนั้นที่เยซูก็จบคำเทศนาของพระองค์ด้วยคําสอนที่เกี่ยวข้องกับว่าใครจะเข้าแผ่นดินสวรรค์ แท็กเขาจะเข้าได้อย่างไรนะครับนี่คือเรื่องราวย่อๆของบทที่หกและบทที่เจ็ดของพระมัทธิวในคช้าวันนี้นะครับเราจะมาดูในข้อที่หนึ่งถึงข้อที่สี่ของมัทธิวบทที่หกนะครับความจริงแล้วเรื่องราวที่เราอ่านในภาคภาษาไทยนะครับเราจะเห็นว่ามีการจ่วหัวข้อเรื่องว่าพระธรรักสอนเรื่องการทําทานนะครับ แต่ผมอยากจะบอกกับพี่น้องว่าในข้อที่สองครับคำว่าทำทานนะครับเหตุฉะนั้นเมื่อท่านทำทานอย่าเป่าแตรข้างงาท่้นคาว่าทำทานนั้นในต้นฉบับภาะคัมภีร์เกิดนะครับมีความหมายว่าทำความดีนะครับหรือแปลแบบภาษาอังกฤษก็คือความชอบธรรมแห่งการกระทานั่นหมายความว่าการกระทําดีนั่นเองครับความหมายของอข้อนี้เราจะ ประยุกต์มาใช้กับอะไรก็ได้ซึ่งเรากระทาในพัา น, นามของพระผู้เป็นเจ้านะครับเรื่องราวแต่เหล่านี้ก็คือว่าพระเยซูกําลังเตือนเราทั้งหลายว่าจงระวังอย่าทําแสสน ก, กิจนะครับหรืออย่าทําความดีปวดคนอื่นครับถ้าทําอย่างนั้นแล้วเราจะไม่ได้รับบำเหน็จจากพระบิดาบนสวรรค์ครับเพราะฉะนั้นพระเยซูก็เลยสอนอีกข้อที่สองครับบอกว่าเมื่อท่านทําความดีก็ อ, อย่าเป่าแตรข้างหน้าท่าน เมื่อท่านจะถวายทรัพท่านก็ไม่ต้องต่าแต่นะครับหมายถึงว่าไม่ต้องประชาสัมพันธ์โฆษณานะครับหรือว่าท่านจะไปทําความดีหลายๆอย่างนะครับอย่าเอาชื่อเสียงของตัวเรานะครับเพราะฉะนั้นเรื่องเนี้เป็นเรื่องที่จะลักสําคัญครับเพราะอะไรครับเพราะว่าในข้อที่สามเฟชูบอกว่าเมื่อเราทําทานหรือเมื่อเราทําความดีอย่าให้มือซ้ายรู้การซึ่งมือขวาการะทํานั้นพี่น้องครับเรื่อง ที่พระเยซูกำลังสอนเรานะครับเป็นความจริงที่สําคัญพระเยซูก็กล่าวในทรงตรัในข้อที่สองว่าเราบอกความจริงแก่ท่านว่าเห็นไหมครับเราบอกความจริงแก่ท่านว่าพวกคอิสีนะครับพวกธรรมาจารย์เนี่ยเป็นพวกหน้าขี้ใหญ่โคตครับเมื่อเขาทำทานนะครับเขาจะต้องให้คนอื่นรู้นะครับและทําในธรรมศาราตามถนนเพื่อให้คนสนรรเสริญครับเพื่อให้คนยกย่องนะเพื่อให้ คนเคารพเขานี่คือสิ่งที่พวกพริสีและธรรมอาจารย์ทมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เองทำให้เราทั้งหลายได้รับคำสอนว่าพระเยซูนั้นได้ทรงเปรียบเทียบนะครับคนที่แสวงหากเกียรติของตัวเองด้วยการกระทำดีพวกเขาก็เหมือนกับคนที่เป่าแปรนะครับในธรมารมศาลาและตามถนน เพื่อประกาศการทํางานเพื่อประชาสัมพันธ์ว่าตัวเองเป็นคนที่ดีเป็นคนที่เด่นเป็นคนที่รักพระเจ้านะครับธรมารมศาลานะครับเป็นสถานที่ที่ใช้นำมาัดการพระเจ้าของพวกยิวในสมัยของนิมคณิสานะครับเราคงจะเห็นนะว่าชาวยิวเนี่ยเมื่ออพยพไปที่ไหนเนี่ยเขาจะสร้างธรมารมศาลาที่นั่นนะครับในภาคพันธสัญญาเดิมเนี่ยแมงพี่เดิมนั้น เมื่อสถานที่นับาชการก็คือพระวิหารนั้นถูกทำลายลงชาวยิวสร้างธรรมศาลานะครับเพื่อที่จะใช้นำราการพระเจ้าธรรมศาลานี้ก็มีขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ก็เป็นที่ที่มีพ่อวจ้ะของพระเจ้าและพวกยิวนั้นก็ใช้ธรรมศาลานี้ในการอบรมจังซ้อนและใช้พิธีศพการศึกษานะการรวบรวมผู้คนเพื่อที่จะ มาสอนเป็นสถานที่ศึกษาของพวกเด็กชายชาวยูวครับตามบทบัญญัติของชาวยูวนั้นสิบครอบครัวชาวยูวสิบครอบครัวก็อนุญาตให้สร้างธรรมศ า, าลาได้หนึ่งหลังและก็จะต้องมีรับใบนะครับหรือรับบีซึ่งเป็นอาจารย์หรือคนที่สอนพราจฉะนั้นเพราะฉะนั้นคนที่สอนพวกเจ้หน้าของเขาเนี่ยสิบครอบครัวมีหนึ่งคนเนี่ยถือว่าดีมากเลยนะครับพี่น้ครับเรามาดูคาที่สําคัญอีกข้อหนึ่ง นะครับก็คือคําว่าบาเหน็จครับคําว่าบําเหน็จนะครับอยู่ในข้อที่หนึ่งและข้อที่สองครับถ้าทําอย่างนั้นท่านจะไม่ได้รับบําเหน็จจากพระบิดาบนสวรรค์อคีกนั่นคือเมื่อเราทําความดีนะครับเราอย่าเป่าแตรครับนะเราจะได้บำเหน็จบําเหน็จนี้แบบไหนครับบําเหน็จคือจากพระเจ้านะพระเยซูใช้ถึงหกครั้งด้วยกันนะครับคําว่าบําเหน็จที่นี้แสดงว่าต้องมีบําเหน็จมากมาย รอไว้สำหรับคนที่ทำความดีหรือสำหรับคนที่ทำความชอบครับไม่ใช่เป็นสิ่งผิดทับที่เราจะจำไว้และสอนว่าสิ่งเหล่านี้มีอยู่แล้วนะครับและพระบิดาของเราเตรียมที่จะประทานให้กับเราอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราจรึงไม่ต้องหวังทนะับคำสรรเสริญเยืนยอของคน ท, ทั่วไปนะครับพี่น้องครับ ในข้อที่สามและข้อที่สี่นั้นเป็นคําสอนของพระเยซูเกี่ยวกับว่าเราจะทําความดีได้อย่างไรนะครับการทําทความดีดังกล่าวนั้นจะต้องเป็นความลับครับพระเยซูทรงยกภาพภาพหนึ่งที่ว่าอย่าให้มือขวารู้สิ่งที่มือซ้ายได้ทํานะครับเราเคยให้ทานโดยไม่ต้องเปิดเผยชื่อของเราหรือเปล่าครับหรือเรารู้สึกผิดหวังเมื่อชื่อของเราถูกพิมพ์หล่นไปจากวันทีรายชื่อ ถ้าเราเองมีส่วนรับผิดชอบในรายการต่างๆด้วยเราจะมีความรู้สึกยินดีเมื่อสีบานได้เอ่ยชื่อท่านหรือผู้ที่เป็นคนเทศคนสอนเราอาจจะต้องคิดว่าเมื่อเขาเอ่ยนามของเราบนเวทีเพื่อเรียนขอบคุณเราและถ้าเขาไม่เอ่ยนะเราจะรู้สึกอย่างไรคิดลองครับเราจะเปรียบเทียบกับคนหน้าซื่อใจคดซึ่งเป่าแพร่ตามถนน กับพฤติกรรมที่เมื่อกี้ที่ผมได้กล่าวมาแล้วหรือเปล่าเราต้องการชื่อเสียงเราต้องการหน้าตาเราต้องการหลายสิ่งหลายอย่างเป็นการตอบแทนของคนในโลกนี้มากกว่าที่เราจะรับบาเหน็จจากพระเจ้าหรือเปล่าหรือคำชมจากพระเจ้าของเราว่าเจ้าเป็นข้าที่ดีและสักซื่อเราชอบอย่างไหนมากกว่ากันครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในเช้าวันนี้ที่เราจะไม่เป็นคนหน้าซื่อใจคด เราจะต้องหวังนะครับหรือเราจะต้องรอคอยบำเหน็จที่พระเจ้าได้เตรียมไว้ให้กับเราดีกว่าไม่ใช่หรือขอพระเจ้าไวยพรที่น้องที่รักทุกท่านอาเมน